เจิดจ้าราวกับ light, สปอร์ตไลท์ส่องความงามที่แสนพิเศษรอบๆตัวอาตมาหญ้าสีเขียวสดใสยามฤดูใบไม้ผลิทุ่งโล่งกว้างดูอ่อนนุ่มราวกับกำรรมะหยี่พลิ้วไหวไปมาสุดลุกหูลูกตาหน้าผาถูกแกะสลักเหมือนโบสที่งดงามสูงตระ n ง g a อยู่เหนือท้องทะเลที่หมุนวน มหาสมุทรเป็นสีฟ้าในยามเย็นส่องประกายระยิบระยับเกาะหินสีน้ำตาลและเขียวเกาะเล็กเกาะน้อยราวกับกำลังโต้คลื่นอยู่จนสุดขอบฟ้าแม้แต่นกนางนวลก็ร่อนทลาบินจวัดฉุียนไปมาอย่างมีความสุขสุดๆอาตมาแน่ใจเช่นนั้น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 เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัวเบื้องหน้าอาตมามีรถยนต์เล็กๆคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางใกล้ๆหน้าพาอาตมาวาดภาพในใจโดยทันทีว่า คนขับรถคันนั้นคงต้องมนต์เสน่ห์ความงามที่นี่และคงหยุดรถเพื่อจะดื่มดำความวิเศษนี้แต่เมื่ออาตมาเข้าไปใกล้รถยนต์คันนั้นพอที่จะเห็นได้ผ่านกระจกหลังอาตมาก็รู้สึกผิดหวังผู้ที่นั่งอยู่ในรถเพียงคนเดียวนั้นเป็นชายกลางคนเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์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 ประเภทที่อยู่ในหนังสือพิมพ์การปะทะต่อสู้กันระหว่างญาติมิตรการเมืองภายในครอบครัวและที่ทำงานเรื่องอือฉาส่วนตัวที่ทำให้เราว้าวุ่นใจและความสนุกสนานเพลิดเพลินที่เต็มไปด้วยกามตัญหาถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่จะปล่อยวางหนังสือพิมพ์ในจิตใจของเราลงเป็นครั้งเป็นคราวถ้ามันเป็นสิ่งที่เราหมกมุ่นและท่า